วันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นวันแห่งการเสียสละของพวกท่านทั้งหลายท่านมาเสียสละความสุขความเจริญทางโลกเพื่อมาสร้างความสุขความเจริญทางธรรมทางจิตใจ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 ทุก ส, สิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเพราะถ้าไม่ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไม่ได้ทํามาอย่างที่พระบรมศาสดาได้ทรงบําเพ็ญมาเป็นตัวอย่างต้องทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเพื่อที่จะได้ ตัดสรุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในเบื้องต้นก็ทรงสละพระราชสมบัติสละความสุขทางโลกแล้วก็สละความสุขความปลอดภัยทางร่างกายและในที่สุดก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานจะยอมสละชีวิตถ้าไม่ได้ตัดสรู้ เป็นพาาราะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความเสียสละนี่แลจึงเป็นเหตุที่ทำให้พระองค์ได้ทรงตัดสู้เป็นพาาราะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายพวกเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าพวกเราปรารถนาความสึกความเจริญทางธรรมก็คือปราศนาปรารถนาการบรรลุมรรคผลผนิพพานพวกเราก็ต้องเสียสละกันเสียสละทรัพย์เสียสละเอาไวโภเสียสละชีวิตเพื่อให้ได้ธรรมะ ถ้าเราไม่เสียสละแล้วเราก็จะไม่ได้ทำเพราะขั้นตอนของการปฏิบัตินี้จำเป็นจะต้องมีการเสียสละสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปถ้าเราไม่เสียสละเราก็จะไม่ได้ทำอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตถาวพทั้งหลาย ได้รับกันดังนั้นขอให้เราพยายามเตือนตนเองอยู่เรื่อยๆว่าเรามาปฏิบัติเรามาเสียสละเราไม่ได้มาเพื่อที่จะเอาอะไรของทางโลกไปกับเราเพราะของทางโลกเช่นลาบยศสรเสริญ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสิ่งที่เราเอาไปไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เจริญทางด้านจิตใจทางด้านธรรมะแต่จะเป็นตัวทวงตัวชุดลากให้เราไม่สามารถที่จะเจริญก้าวหน้า ในทางธรมได้ดังนั้นเราจึงต้องเสียสละทรัพย์เช่นทำทานเสียสละความสุขทางร่างกายเช่นรักษาศีลแปดกันไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับบุคคลต่างๆไม่หา ความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารนอกเวลาไม่หาความสุขจากเครื่องบันเทิงมหัศจรรย์ทุกชนิดไม่หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสวยๆเงามงามพิจิตวิจิตพิสดารด้วยเครื่อง สําอางน้ํามันน้ําหอมชนิดต่างๆไม่หาความสุขจากการหลับนอนบนฟูกหนาๆเป็นเวลาอันยาวนานจะสละความสุขเหล่านี้เพื่อจะได้มีเวลามาบําเพ็ญมาเจริญสติมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาทําใจให้สงบ มาเจริญปัญญาสอนใจให้ฉลาดเพื่อความเจริญของจิตใจที่จะเจริญขึ้นไปตามลําดับจากระดับมนุษย์ขึ้นไปสู่ระดับเทพชั้นต่างๆจากระดับเทพชั้นต่างๆสู่ระดับพรมชั้นต่างๆจากระดับพรมชั้นต่างๆสู่ระดับอริยบุคคล ชั้นต่างๆจนถึงอารยบุคคลชั้นสูงสุดคือชั้นพระอาหารหันต์ชั้นพระพุทธเจ้านี่คือความสุขความเจริญที่พวกเราปรารถนากันเพราะเป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขความเจริญ ที่จะติดไปกับเราจะเป็นของเราไปตลอดไม่มีวันสูญไม่มีวันหมดไปไม่เหมือนกับความสุขความเจริญทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความเจริญชั่วคราวที่มีวันที่จะต้องสูญไปหมดไป เวลาที่ร่างกายนี้หมดสภาพไปนี่คือความสุขความเจริญที่พวกเรามาแลกเปลี่ยนสละความสุขความเจริญที่ต่าที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนที่ไม่ถาวรเพื่อความสุขความเจริญที่สูงที่เที่ยงแท้แน่นอน ที่แถววอนเป็นการกระทําของนักปราชญ์คนฉลาดถึงจะสามารถมาทางนี้ได้คนโง่ น, นั้นย่อมไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความเจริญไม่เห็นคุณค่าของความสุขของความเจริญทางจิตใจทางธรรมจะเห็นคุณค่า ของความสุขความเจริญทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยกลายเป็นเหยื่อของความโง่เขลาเบาปัญญาเป็นเหยื่อของความโลภของความโกรธของความหลงที่จะดึงให้เข้าสู่กองทุกข แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันหมดสิน้นมีนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เห็นโทษของการเจริญในทางลาภยศเสริญในทางรูปเสียงกลิ่นรสกุทตภาพเพราะทรงเห็นความเสื่อมของ ลาบยศเจรเสริญของรูปเสียง ก, ก, กลิ่นรสโผฏฐะนั่นเองทรงเห็นคนแก่ทรงเห็นคนชราคนเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชจึงทำให้พระองค์ได้ทรงเห็นทางทั้งสองทางทางของทางโลก และทางของทางธรรมทางของทางร่างกายและทางของจิตใจพระองค์จึงได้เลือกเดินในทางของทางจิตใจในทางธรรมเพราะทรงเห็นว่าเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้น จากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นตายแล้วก็ต้องไปเกิดใหม่เกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าไปทางของนักบวชไปทางของ การเสียสละความสุขความเจริญของทางโลกไปของทางลาบยศสรรเสริญสุขไปก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เข้าสู่ความสุขความเจริญของทางจิตใจ ที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปดังนั้นพวกเราต้องเสียสละต้องยอมเสียสละต้องอยากเสียสละอยากไปเห็นคุณประโยชน์ของความสุขความเจริญของทางโลกที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปที่จะคอยดูดให้ใจของเรา ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดการเสียสละความสุขทางโลกนี้จึงเป็นคนเป็นประโยชน์แก่จิตใจไม่ได้เป็นโทษแก่จิตใจแต่อย่างใดจึงอย่าไปเสียดายกับทรัพย์อย่าไปเสียดายกับอวัยวะอย่าไปเสียดายกับชีวิตที่ว่า อย่างไรก็ต้องเสียไปในที่สุดเช่นเวลาเราทําทานก็อย่าไปเสียดายทรัพย์มีเท่าไหร่ที่ทําได้ทําไปเลยการเสียสละทางทรัพย์นี่แหละจะปลดเปลื้องให้เราหลุดออกจากการติดกับอยู่กับการหาทรัพย์กับการใช้ทรัพย์กับการพึ่งทรัพย์เป็นสารณะ ึ่งเป็นที่พึ่งที่ไม่แน่นอนเวลาที่ที่พึ่งคือทรัพย์หมดไปเมื่อไหร่เวลานั้นก็จะกลายเป็นนรกขึ้นมาภายในจิตใจทันทีอย่าไปพึ่งสาร ะ, ะที่จะทำให้กลายเป็นนรกขึ้นมาอย่าไปเสียดายให้คิดว่าการสละทรั์การเป็นการสละนรก เพราะเราจะได้ไม่ต้องมาตกนรกกับการหาทรัพย์ไม่ต้องมาตกนรกกับการเสียทรัพย์ไปคนที่ยึดทรัพย์เป็นสารณะนี้มักจะต้องทาบาปเวลาหาทรัพย์ก็มักจะทำบาปกันเวลารักษาทรัพย์ก็มักจะทำบาปกันเวลาสูญเสียทรัพย์ก็มักจะทำบาปเพื่อที่จะได้เอาทรัพย์ของตน ที่สูญเสียไปนั้นคืนมาก็เท่ากับการเป็นการสร้างนากให้กับจิตใจเพราะการกระทำบาปนี้ก็จะทำให้จิตใจจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมในนากต่อไปนั่นเองทุกทุกครั้งที่เราทำบุญบริจาคทรัพย์ขอให้เราคิดว่าเป็นการ หลุดออกจากนรกเป็นการอยู่เป็นการหลุดจากการที่จะต้องไปไปพึ่งในสิ่งที่จะทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมผู้ที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์เป็นสารณะผู้นั้นก็จะสบายไม่ต้องทำบาปทำกรรมเช่นผู้ที่ออกโบวดได้ ก็ไม่ต้องใช้ทัพย์เป็นสถานะเป็นที่พึ่งใช้ความเพียรคือเท้าสองเท้าเป็นที่พึ่งไปบินตบาทหาอาหารไม่ต้องใช้ทรัพย์ใช้ศีลเป็นที่พึ่งผู้ที่มีศีลย่อมเป็นผู้ที่ชื่นชมยินดีต่อผู้ที่มีทรัพย์ ผู้ที่พร้อมที่จะแบ่งปันทรัพย์คืออาหารให้แก่ผู้ที่มีศีลดังนั้นขอให้เราทำไปไม่ต้องกลัวอดตายผู้ที่มีการเสียสละทรัพย์นี้จะไม่มีวันอดตายเริ่มต้นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าทรงสระละราชสมบัติ ถ้าจะอ้างว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงก็มีพระราชมารดาของพระพุทธเจ้าก็สละราชสมบัติสเสด็จออกบวชเป็นภิกษุณีรูปแรกของพระพุทธศาสนาและมีสุภาพสตีนับจำนวนไม่ถ้วนที่ได้ออกบวชได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติกัน ท่านเหล่านั้นก็ไม่เห็นว่าจะอดอยากไม่ไม่เห็นว่าจะอดตายกันสักคนหนึ่งแม้แต่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็มีท่านทั้งหลายท่านผู้หญิงท่านสุภาพสติทั้งหลายที่ได้ออกบำเพ็ญถือศีลแปดบทชีพถือศีลสิบกันก็ไม่เห็นว่าจะอดตายกันดังนั้นอย่าให้กิเลสความหลงมันหลอกเรา ให้เราติดอยู่กับการหาทรัพย์กับการใช้ทรัพย์เพราะมันจะทำให้เราจะไม่มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญทำขั้นสูงขึ้นไปนั่นเองก็คือศีลแปดศีลสิบศีลห้าศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดยังไม่มีเวลาที่เราจะได้มาตีวิเวกหาที่สงบสงัด ่างไกลจากเรื่องราววุ่นวายต่างๆที่จะคอยดอกล่อให้จิตใจว้าวุ่นขุนวัวเพื่อที่เราจะได้มาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่เราจะได้ควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะเวลาคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะไปทำให้เกิด อารมณ์ต่างๆขึ้นมาที่จะทำให้เกิดความโลกเกิดความโกรธเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจความหงุดหงิดใจตามมาก็จะทำให้ไม่สามารถทำใจให้สงบได้เมื่อใจไม่สงบก็จะไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในการบาเพ็ญ เพื่อความสุขความเจริญในธรรมได้นั่นเองดังนั้นเราจึงต้องสละกันเสียสละกันสละความสุขสละความเจริญทางโลกกันด้วยการทำทานเสียสละทรัพย์ที่เรามีมากเกินไปที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ ทรัพย์ที่เราต้องเก็บเอาไว้ก็คือทรัพย์ที่เราต้องใช้ต่อการดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราเท่านั้นก็คือปัจจัยสี่มีทรัพย์ไว้เพื่อซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหม่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคถ้าเรามีปัจจัยสี่พอเพียงแล้ว เราก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บทรัพย์ไว้มากเป็นเกินไปเพราะจะกลายเป็นกับดักของของกิเลสของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรายังต้องใช้ทรัพย์เพื่อหาซื้อความสุขชนิดต่างๆอยู่ก็เท่ากับเรายังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดเพราะ ความสุขทางโลกนี้จะเป็นเหมือนอยาเสพติดนั่นเองที่เมื่อเสพแล้วก็จะต้องหามาเสพอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเวลาใดที่ไม่เสพเวลานั้นจะมีความทุกข์มีความทรมานใจเป็นอย่างมากก็เลยต้องหามาอยู่เรื่อยๆการหามาอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้ต้อง กลับมาเวียนไหวตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั่นเองนี่คือเรื่องของการบริจาคบริจาคความสุขทางร่างกายแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเรามีพอเพียงแล้วเราก็ควรจะพอแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องวันข้างหน้ามากจนเกินไปดูสิงสาราสัตว์ ดูนกดูอะไรเขาไม่ค่อยกังวลกับเรื่องทรัพสมบัติข้าวของเงินทองเขาก็อยู่ของเขาได้เขาก็หากินของเขาได้อยู่ทุกวันเราเป็นมนุษย์ที่มีความรู้ความฉลาดมีความสามารถมากกว่าสิงสารสัตว์ต้องเยอะแยะไปเราจะไปกลัวอดตายทําไมไม่มีวันอดตายถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถ้าไม่เกียจข้านเพียงอย่างเดียว เท่านั้นเองที่ที่จะอดกันจริงๆก็เป็นพวกที่งอมืองอเท้าพวกที่ไม่มีอัตตาหิอัตโนนาโถผู้ที่ไม่รู้จักพึ่งตนเองเท่านั้นเองถ้ารู้จักพึ่งตนเองถ้าไม่มีความเกียรกล้านแม้แต่คนที่พิกลพิการเขาก็ไม่อดตายกันเขาก็มี ความสามารถที่จะเลี้ยงดูอัตภาพร่างกายของเขาไปได้ดังนั้นอย่าไปวิตกมากจนเกินไปถ้าเราอยากจะบำเพ็ญเต็มรูปแบบเราก็ไปอยู่ตามสถานที่ที่มีการเลี้ยงดูเราเป็นผู้ชายก็ไปบวชอยู่ตามวัดต่างๆ เป็นผู้หญิงก็ไปบวชชีอยู่ตามวัดต่างๆตามสำนักต่างๆก็มีการดูแลกันไปไม่มีวันอดตายไม่งั้นจะมีแม่ชีเหลืออยู่ในประเทศไทยได้อย่างไรอันนี้คือการเสียสละทางร่างกายความสุขทางร่างกายเสียสละทรัพย์เสียสระอวัยวะ เช่นเวลานั่งแล้วรู้สึกเจ็บก็ไม่ต้องไปกลัวว่าเดี๋ยวจะพิกลพิการไปมันจะพิกลพิการก็ให้มันรู้ไปเวลานั่งดูหนังนั่งเล่นไพ่กันทั้งคืนไม่รู้สึกกลัวว่ามันจะพิกลพิการพอมานั่งสมาธินั่งต่อสู้กับทุกขเวทนาก็เกิดความกลัวจะพิกลพิการขึ้นมาหรือเวลาที่จะต้อง อดอาหารเพื่อเร่งความเพียงก็กลัวจะเป็นโรคกระเพาะบ้างหรือแม้แต่เพียงแต่มาถือสินแปดแค่นี้ก็กลัวจะเป็นโรคกระเพาะกันแล้วถ้าไม่ได้รับประทานอาหารตอนค่ำนี้เดี๋ยวร่างกายจะต้องเป็นโรคกระเพาะขึ้นมาอันนี้อย่าไปกลัวมันเสียสละไปถ้ามันจะเป็นใข้มันรู้ไป ทำไมคนอื่นเขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการจนถึงสมัยนี้ไม่เห็นเขาเป็นกันพอเราจะมาปฏิบัติคนเดียวมันดันเป็นขึ้นมาได้ก็ให้มันรู้ไปเราต้องมีความกล้าหาญถ้าเราอยากจะได้มรรคผลนิพพานอยากจะได้ธรรมะเราก็ต้องกล้าที่จะสละเอาไว้เยอะวะสมัยพระพุทธกาสนี้ท่านเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตก ท่านเดินจงกรมท่านภาวนาจนตาตาเสียบรรุธรรมในขณะที่ตาเสียบางองค์ท่านบรรลุธรรมในขณะที่ถูกเสือคาบเสือกัดนี่แหละคือทางที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขความจเจริญในทางธรรม ทางที่จะพาเราไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานจะต้องมีการผ่านด่านของของความเจ็บของความตายไปกันถ้าตราบใดเราไม่กล้าไม่ยอมที่จะสละอวัยวะไม่ยอมที่จะสละชีวิตเราก็อย่าไปหวังความสุขความเจริญทางมรรคผลนิพพานเลยอย่างหลวงปู่ขาวท่านก็่อยพูดไว้ว่า นิพพานอยู่ฝากตายนะถ้ายัางกลัวตายอยู่ก็ไม่มีวันที่จะไปถึงพระนิพพานได้ถ้าอยากจะไปพระนิพพานก็ต้องยอมตายไม่ต้องกลัวตายเรารับรองได้ว่าไม่ตายสิ่งที่ตายก็คือความกลัวตายแต่ร่างกายมันไม่ตายความกลัวตายก็คือกิเลสนี่เองกิเลสก็คือความรักตัวกลัวตาย ตัวนี้แหละที่จะทําให้การปฏิบัติไม่คืบหน้าไม่ก้าวหน้าเพราะกลัวกัรสารพัสารเพกลัว จ, จกกนจนกระทั่งไม่กล้าที่จะปฏิบัติกันอันนี้แหละเป็นอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ขวางกั้นผู้ที่ปฏิบัติกันส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถข้ามอุปสรรคอันนี้ไปกันได้ พอไม่มองดูสารณ ะ, ะที่พึ่งของตนไม่ดูพุทธังสารังกชามิไม่ดูธรรมังสารังกชามิไม่ดูสังขังสารังกชามิกันมัวแต่ดูร่างกายของตนคอยดูแลคอยรักษาไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันปวดไม่ให้มันพิกลพิการไม่ให้มันตายก็เลยไม่ต้องมา ปฏิบัติกันพระจะต้องวิตกกังวลอยู่กับเรื่องของสังขารร่างกายเจ็บนิดเจ็บหน่อยก็ไม่ไหวแล้วทนไม่ได้แล้วกลับดีกว่ากลับไปสู่ความสุขแบบเดิมดีกว่ากลับไปสู่ห้องปรับอากาศกลับไปสู่การรับประทานอาหารวันละสามือ้อสี่มื้อดีกว่าไม่เอาแล้วความสุขแบบพระพุทธเจ้า ชาตินี้คงจะไม่มีวาสนาแล้วขอผัดเอาไว้ก่อนขอรอชาติหน้าก่อนพอถึงชาติหน้าก็เจอแบบเดียวกันอีกปัญหาแบบเดิมก็จะได้คำตอบแบบเดิมก็คือขอผัดไปอีกมันก็จะผัดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมายอมรับความจริงว่าต้องสละรัต้องสล ะ, ะอวัยวะต้องสละชีวิตเท่านั้น ถึงจะได้ทำถ้าไม่เะนั้นแล้วก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปต่อไปอย่างไม่มีวันหมดสิ้นนี่เป็นความจริงไม่เชื่อลองพิจารณาดูลองลองผัดดูเรามีหน้าที่จะต้องทำอะไรแล้วเราลองผัดมันดูมันก็จะผัดไปเรื่อยถ้าไม่อยากจะทำแล้วมันก็หาเหตุผัดไปเรื่อย ร้อนบ้างนอนเกินไปหนาวเกินไปหิวเกินไปอิ่มเกินไปทำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีอะไรที่มันพอดีสักทีพอจะพอดีขึ้นมาก็ง่วงนอนเสียแล้วอยากจะนอนอีกนี่คือลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเสียสละอยู่ภายในใจ ถ้ามีการเสียสละแล้วจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคเติรนขึ้นมาก็ลุยเลยลอยตั้งแต่ยังไม่ลุกขึ้นจากเตียงเติด์นขึ้นมาก็ตั้งสติใกล้ก่อนแล้วพุโทโธพุโทโธไว้ก่อนดึงใจไว้ให้อยู่กับร่างกายไว้ก่อนไม่ให้ลอยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่ให้ไปหาอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ให้ใจอยู่กับร่างกายให้อยู่กับพุทธโธให้อยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเท่านั้นที่จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจว่างได้คอยดึงใจเอาไว้อยู่กับพุทธโธก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทาของร่างกายก็ได้ในขณะที่ต้องทำภารกิจที่จำเป็นในแต่ละวัน พอเวลาว่างจากภารกิจของการดูแลรักษาอัตภาพก็มาดูแลรักษาจิตใจกันต่อไปด้วยการเดินจงกรมบ้างด้วยการนั่งสมาธิบ้างด้วยการฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะบ้างสลับกันไปทํามันอย่างนี้ไปอย่าไปทําอย่างอื่นถ้าอยากจะเจริญทางธรรมต้องทําเฉพาะแค่นี้เท่านั้น ถ้าไม่พิจารณาทมก็ให้ทำใจให้สงบถ้าไม่ได้ทำใจให้สงบก็ให้เจริญสติอยู่เรื่อยๆสลับกันไปเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะแล้วใจก็จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับแล้วก็จะออกมักออกผลขึ้นมาเหมือนกับการปลูกต้นไม้ ถ้าเราควนดินเหมือนเติมน้ำลดน้ำอยู่เรื่อยๆคอยกาจัดวัชพืชต่างๆที่จะมาคอยแย่งอาหารของต้นไม้ไปต้นไม้ก็จะมีแต่จะโต ว, วันโตคืนแล้วไม่นานมันก็จะออกดอกออกผลมานี่ก็เช่นเดียวกันการบำเพ็ญของเรา ถ้าเราบำรุงด้วยสติบำรุงด้วยสมาธิบำรุงด้วยปัญญาอย่างต่อเนื่องผลต่างๆก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนสมาธิระดับต่างๆปัญญาระดับต่างๆการหลุดพ้นระดับต่างๆก็จะเป็นผลที่ตามมาตามลําดับไม่มีอะไรที่จะมาขัดขวาง การเจริญของธรรมเหล่านี้ได้ถ้ามีความเพียรมีความเสียสละที่จะบาเพ็ญอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีภารกิจทางร่างกายหรือทางโลกมาคอยดึงไปก็ต้องตัดไปต้องสละไปภารกิจเกี่ยวกับคนนั่นคนนี้ก็ให้ถือว่าเป็นการเสียสละเสียสละ ความสุขทางโลกเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาบำเพ็ญทางธรรมกันองลาหมดเรื่องของสามีเรื่องของภรรยาเรื่องของบุตรของทิดาของญาติสนิทนิส า, ายใครจะแต่งงานใครจะมีงานวันเกิด ใครจะตายถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ต้องไปใครจะดา่าใครจะว่าก็ยอมรับเพียงอย่างเดียวไม่ไม่ปฏิเสธเขาว่าเราไม่ดีก็ยอมรับว่าเราไม่ดีในสายตาเขาแต่ในสายตาของเราในสายตาของพระพุทธเจ้าเรารู้ว่าเราดีก็แล้วกันพราเราดีแบบพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ดีแบบ คนนั้นคนนี้เราดีแบบพระรัตนตรัยดีตามพระพุทธเจ้าดีตามพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายถ้าเราจะมาทางนี้เราต้องพยายามคำหนึ่งถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักอย่าไปคำหนึ่งถึงคนนั้นคนนี้เพราะเขาไม่รู้เรื่อง เรื่องที่เขารู้เป็นเรื่องของยาพิษทั้งนั้นเป็นเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นเขาไม่รู้เรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าเป็นอย่างไรถ้าเรามากังวลกับความรู้สึกนึกคิดของชาว บ, บ้านเราก็จะไม่มีวันที่จะเด็ดดอดออกจากวงของมารไปได้เราก็จะถูกมารดึงเอาไว้ให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิด ยังไม่มีวันหมดไม่มีวันจบผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญที่จะอยู่คนเดียวได้ที่ไม่ต้องเพึ่งพาอาศัยไข่เพิ่งพาเพียงอย่างเดียวก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถเพึ่งพาอาศัยพระรัตนตรัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดูว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านบำเพ็ญอย่างไรท่านเกาะติดอยู่กับคนนั้นคนนี้เกาะติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือว่าท่านสลัดทิ้งไปหมดท่านอยู่ในบ้านในเมืองอยู่กับสังคมอยู่กับภารกิจการงานต่างๆหรือท่านอยู่กับการปรีกวิเวกอยู่กับการอยู่ตามลําพังอยู่กับการบําเพ็ญ อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะยึดเป็นแบบเป็นฉบับเป็นที่พึ่งของเราทุกครั้งที่เราคิดถึงโลกก็ขอให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายคิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายเวลาเราแก่เวลาเราเจ็บเวลาเราตาย ความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านเขามาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้หรือเปล่าเขาช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หรือเปล่าแต่ถ้าเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของเราเราจะดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บจะไม่ทุกข์กับความตายดัยงนั้น เราต้องตัดให้หมดสละให้หมดอย่าไปหวงใบแหนอะไรไว้เลยเพราะมันเป็นพิษเป็นภัยกับจิตใจของเราทั้งนั้นราบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูรรกมิ้นไก่ที่เราได้รับจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากบิดาจากมารดาจากสามีจากภรรยาจากบุตรจากธิดาขอให้คิดว่าเรา ได้ตายจากเขาไปก็แล้วกันเหมือนกับเราไปประสบอุบัติเหตุลดความตายไปพอเราตายแล้วเขากับเราก็ไม่มีวันที่จะมีการติดต่อกันได้อีกแล้วเขาก็ต้องอยู่ตามสภาพของเขาไปเราก็ต้องอยู่ตามสภาพของเราไปถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะตัดได้ถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะไม่มีวันที่จะตัดได้ เพราะมันก็จะมีเรื่องที่จะมาคอยอ้างตัดพ่อตัดแม่อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่มีความกระตันยูกตวเวทีไม่มีความรักพ่อรักแม่ไอ้เวลาอยู่มันเคยรักพ่อรักแม่ที่ไหนมันเคยสนใจพ่อแม่มันที่ไหนมันก็ห่วงแต่ลูกห่วงแต่เมียมันห่วงแต่เรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องอยู่ของมันเย่มากกว่าพอจะมาตัดท่าหน่อยก็มาอ้างว่า ไม่กตันอยู่ไม่รักพ่อไม่รักแม่ขึ้นมาแต่เวลาอยู่มันเคยสนใจพ่อสนใจแม่ไหมมันจะสนใจก็ตอนที่ไม่มีเงินนเวลาเดือดร้อนก็มาหาพ่อหาแม่มาขอความช่วยเหลือแต่เวลาไม่เดือดร้อนก็บายบายเ <c oughs> ความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว อนี้คือพูดไว้เพื่อที่จะได้อแก้ปัญหาที่จะตามมาเวลาที่เราอยากจะออกบําเพ็ญอยากจะออกปฏิบัติกันจะได้ไม่ต้องมาอาติดอยู่กับกับของกับดักของกิเลสที่มันจะคอยสกัดคอยกัน้นไม่ให้เราได้ออกบําเพ็ญกัน เวลาทำอย่างอื่นไม่เคยมาคิดถึงพ่อถึงแม่ไม่เคยคิดถึงสามีถึงภรรยาถึงลูกเวลาเพื่อนมาชวนไปงานนู่นงานนี้ไปได้ไปคนเดียวไปได้ลูกเมียสามีภรรยาทิ้งไว้ที่บ้านได้พ่อแม่ทิ้งไว้ที่บ้านได้เรื่องไปเที่ยวนี้ไปได้แต่พอเรื่องไปบำเพ็ญ น, นี้ไปไม่ได้ต้องเอาไปทั้งครอบครัวอันนี้แหละ คือ เ, เรื่องของกิเลสตัณหาที่มันจะคอยสกัดคอยกัน้นไม่ให้เราได้ออกบําเพ็ญกันคนที่ฉลาดรู้ทันกิเลสท่านนั้นถึงจะเล็ดลอดออกจากวงของมารของกิเลสได้แต่ก็มีน้อยดูจำนวนของคนที่ออกบวญกับของคนที่ไม่ได้ออกบวญก็เป็นคนเหมือนกันมีอาการสาวสิบสองเหมือนกัน มีสติปรรัญญาความรู้ความสามารถใกล้ๆกันพอกันเรียนหนังสือก็จบปริญญาได้เหมือนกันแต่ทําไมเวลาออกบวชทําไมออกไม่ได้เหมือนกันก็เพราะมาแพ้ไอ้ไอ้บ่วงของมารตัวนี้แพ้เพราะว่าไม่กล้าที่จะเสียสละอาจจะเป็นเพราะว่าไม่รู้คุณค่าของการเสียสละไม่รู้คุณค่าของการบําเพ็ญ ไม่รู้ว่าผลคุณค่าของผลที่จะได้รับจากการบําเพ็ญคือมังขทน่ผปานนี้ยิ่งใหญ่มโหฬารกว่ า, าลาภยศสารเสริญสุขในทางโลกอีกกี่หลายร้อยกี่หลายพันเท่าเพราะไม่เคยได้สัมผัสกับผลที่ได้รับจากการบําเพ็ญนั่นเองไม่เคยได้สัมผัสกับความเจริญ กับความสุขของทางจิตใจจึงไม่เห็นคุณค่าถ้าลองได้สัมผัสรับรูบ้กับผลที่จะเกิดจากการได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติได้ทำใจให้สงบก็จะเห็นคุณค่าแล้วก็จะมีความกล้าหาญที่จะเสียสละความสุขทุกรูปแบบ ไปให้หมดเพรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ต่อต้านกันความสุขทางโลกนี้จะต่อต้านความสุขทางธรรมจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้ไปพร้อมๆกันไม่ได้จะเอาความสุขทางโลกแล้วก็จะเอาความสุขทางธรรมด้วยนี้เป็นไปไม่ได้เช่จนจะมีงานเลี้ยงเสร็จงานเลี้ยงก็จะไปนั่งสมาธิต่อ อย่างนี้เป็นไปไม่ได้จัดงานเลี้ยงกินเล่ากันดื่มเฮฮาปาร์ตี้กันพอหมดงานเลี้ยงแล้วก็จะว่ไปนั่งไหว้พระสวมดมนต์นั่งสมาธิต่อมีใครก็ทํากันบ้างไหมไม่มีหรอกดูหนังเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปไหว้พระต่อไปนั่งสมาธิต่อดูละครก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าห้องนั่งสมาธิทําใจให้สงบ มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นของเหมือนเหมือนมืดกับแจ้งมันเป็นของที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ามันมืดมันก็จะไม่แจ้งมันจะไม่สว่างถ้ามันสว่างมันก็จะไม่ไม <shar> ืดหรือร้อนกับเย็นมันอยู่พร้อมที่เดียวกันไม่ได้ถ้ามันร้อนมันก็จะไม่เย็นถ้ามันเย็นมันก็จะไม่ร้อนถ้ามันหิวมันก็จะไม่อิ่มถ้ามันอิ่มมันก็จะไม่หิว ถ้ามันสงบมันก็จะไม่วุ่นวายถ้ามันวุ่นวายมันก็ไม่สงบแต่การกระทําของเรามันไม่ได้ทําไปสู่ความสงบการกระทําของเรามันนําไปสู่ความวุ่นวายเพราะมันทําด้วยความอยากอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันไม่ได้ทําเพื่อหยุดความอยากกันถ้ายามถ้าทําเพื่อหยุดความอยากพอความอยากหยุดปั๊บความสงบมันก็เกิดขึ้น แต่ถ้าทำเพื่อให้เกิดความอยากมันก็จะเกิดความวุ่นวายตามมาการกระทำของเรานี้มันไม่ได้ทำให้ความอยากมันหมดมันหยุดแต่มันจะทำให้เกิดความอยากเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับเวลาที่เสพยาเสพติดเวลาอยากเสพยาเสพติดก็เสพไปพอเสพแล้วเดี๋ยวความอยากจะเสพก็กลับมาใหม่จึงต้องเสพไปเรื่อย เวลาที่ไม่ได้เสกเวลานั้นก็เป็นเวลาที่วุ่นวายใจนี่แหละคือความสุขทางโลกกับความสุขทางธรรมมันไปโคตรทางกันเราไม่สามารถที่จะเอาทั้งสองแบบได้ถ้าเอาทั้งสองแบบก็ขึ้นขึ้ น, นลงลงไปเหนือลับรถขึ้นไปทางเหนือร้อยกิโลแล้วก็ ย้อนกลับมาขับรถมาลงไปทางใต้อีกร้อยกิโลมันก็ไม่เลยไปไหนมันก็ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ไปอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะไปแบบไม่มีวันที่จะกลับมาไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่กลับมาทุกข์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายก็ต้องเสียสละสละทรัพย์ สละอวัยวะสละชีวิตแล้วเราก็จะได้ทมก็คือจะได้บรรลุมรรคผลที่ผ่านกันอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหลันตสสาวกทั้งหลายท่านได้บรรลุกันท่านได้บรรลุเพราะอะไรเพราะท่านสละทรัพย์ท่านไม่เสียดายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆเมื่อถึงเวลาจะต้องเสียก็เสียได้อย่างเต็มที่เลย ท่านไม่เสียดายกับอวัยวะเมื่อถึงเวลาจะต้องเสียท่านก็ยินดีท่านไม่เสียดายชีวิตของท่านเมื่อถึงเวลาจะต้องเสียชีวิตท่านก็ยอมเสียการยอมเสียสิ่งเหล่านี้นี่เองที่ทําให้ท่านได้สิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่ผู้ที่ยังไม่ยอมเสียทรัพย์เสียอวัยวะเสียชีวิตจะไม่ได้รับกันะ อยู่ที่ตรงนี้ความแตกต่างระหว่างพวกเรากับพระพุทธเจ้ากับพระอาลหลันตสาวกทั้งหลายก็อยู่ที่การเสียสละนี่เองเรายังไม่ยอมเสียสละเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าพระอาลหลันตสาวกทั้งหลายได้เสียสละกันเรายังหวงทรัพย์ยังหวงอวัยวะยังหวงชีวิตกันอยู่เราเลยไม่สามารถที่จะบำเพ็ญทำขั้นต่างๆ ได้อย่างเต็มที่บําเพ็ญได้พอหอมปากหอมคอพอให้รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรแต่ไม่สามารถที่จะบําเพ็ญเพื่อที่จะให้ได้รับผลอย่างเต็มที่ได้การปฏิบัติของเราก็เลยไม่ค่อยคืบหน้าไม่ค่อยก้าวหน้าแล้วก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุถึงผลอันยิ่งใหญ่ผลอันสูงสุดได้ ถ้า ต, ตราบใดยังมีความหวงในทรัพย์หวงในอวัยวะหวงในชีวิตอยู่ถ้าอยากที่จะได้รับมรรคผลนิพพานอย่างเต็มที่อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาบุทั้งหลายได้รับกันเราก็ต้องเสียสละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตกันการเสียสิ่งเหล่านี้นั้น ไม่ช้ากค่เร็วเราก็ต้องเสียด้วยกันทุกคนอยู่แล้วแล้วเรามาหวงมันทําไมหวงแบบเวลาเสียแล้วไม่ได้อะไรกับเสียแบบเราได้อะไรเราจะเอาอยัางไหงในที่สุดเราก็ต้องเสียทรัพย์กันไม่ใช่เหรือเวลาเราตายไปนี่เราเอาทรัพย์ไปได้หรือเปล่าเอาเอาวัยวะไปได้หรือเปล่าเอาชีวิตไปได้หรือเปล่าแล้วเราไปแบบไหนเราไปแบบหวงไปแบบหิวเออ แต่ถ้าเรายอมสละทรัพย์ยอมสละอวัยวะยอมสละชีวิตแล้วมาบําเพ็ญเราก็จะได้ธรรมะไปกับเราเราก็จะได้มรรคผลนิพพานไปกับเราเสียเหมือนกันเสียทรัพย์เสียอวัยวะเสียชีวิตเหมือนกันแต่ผลที่ได้ไม่ได้เหมือนกันถ้าเสียด้วยการถูกบังคับให้เสียคือถูก ถึงเวลาต้องเสียเพราะว่าเมื่อตายไปก็เสียไปหมดเสียทรัพย์เสียอวัยวะเสียชีวิตไปหมดเสียแบบนี้ไม่ได้อะไรแต่ถ้าเสียแบบตั้งใจเสียยอมเสียเสียก่อนที่มันจะเสียเช่นคนคิดว่าไว้เราตายแล้วเราก็ยกทรัพย์สมบัติให้ลูกให้รหลานไปไอ้แบบนี้มันไม่ได้เสียเสียแบบไม่ได้อะไรหรือบริจาค ร่างกายให้โรงพยาบาลไปเพื่อให้เขาได้เอาไปศึกษาอันนี้ก็เสียแบบไม่ได้อะไรไปเพราะไม่ได้เสียแบบตั้งใจจะเสียเสียเพราะยอมเพราะจำยอมต้องเสียเสียเพราะมันเสียแล้วเหมือนกับเอาของที่เราจะทิ้งให้คนอื่นไปมันได้อะไรมันไม่ได้อะไรภายในใจของเรา เราต้องให้ของที่เรารักไปสิเราถึงจะได้รักลูกก็ยกลูกให้เขาไปรักสามีก็ยกสามีให้เขาไปรักภรรยาก็ยกภรรยาให้เขาไปอันนี้แหละเสียสละอย่างหนูงปู่ขาวท่านก็ยกภรรยาให้กับแฟนของภรรยาไปภรรยาแอะไปมีแฟนท่านจับได้ตอนต้นก็แทบจะเป็นลมแทบจะกลายเป็นยักษ์เป็นมาร พร้อมที่จะฆ่าเขาได้แต่ก็มีบุญดึงเอาไว้มีสติ ด, ดึงเอาไว้ว่าถ้าเราไปฆ่าเขาเราก็ยิ่งเร็วกว่าเขาเขาเพียงประพฤติผิดประเวณีไอ้เรานี่ไปถึงกับฆ่าเขาเลยแล้วเราจะวิเศษวิสโสกว่าเขาได้อย่างไรถ้าเราอยากจะวิเศษวิสโสกว่าเขาเราก็ต้องยกให้เขาไปเลยท่านก็ทำอย่างนั้นจริงๆ อากาศบอกชาวบ้านเลยว่าต่อไปนี้ภรรยาไม่ได้เป็นภรรยาของเราแล้วเราสละยกให้กับคู่กับแฟนใหม่ของเขาแล้วส่วนเราเราจะไปทางธรรมแล้วไปบวชแล้วนี่ี่สละเรียกการเสียสละถ้าไม่เสียสละก็อาจจะกลายเป็นเป็นยักษ์เป็นมารไปถ้าไม่ยอมเสียสละยาำไม่ได้ใครมายามแล้วต้องฆ่าอย่างเดียว พวกที่ยามไม่ได้เนี่ยมักจะต้องไปตกนรกกันเพราะไม่ยอมเสียสละไม่เห็นคุณค่าของการเสียสละไม่เห็นคุณค่าของคำว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารกันทุกวันนี้มักจะเป็นมารกันซะส่วนใหญ่อยากจะเอาแต่ชนะกันอย่างเดียวไม่ยอมแพ้กันก็เลยมีมารเยอะขึ้น โย ม, มาบาลเลยต้องเตรียมที่ขายายที่ไว้ไว้คอยตอนรับพวกมารทั้งหลายที่เวลาตายไปแล้วจะต้องไปรับผลของการทำบาปทำกรรมของทนต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีความเสียสละกันสมัยรัชการที่ห้าฝรั่งเศสอังกฤษมาบุกรุกต้องการพื้นที่ของประเทศไทย พระ อ, องค์ก็ยอมเสียสละทรงตัดว่าเสียแขนเสียขาไปยังดีกว่าเสียชีวิตเพราะว่าถ้าต่อสู้กับเขาก็แพ้เขาอยู่ดีสู้เขาแล้วก็จะเสียหมดเลยเสียทั้งประเทศเลยถ้าเขาอยากจะได้ก็ให้เขาไปส่วนไหนเขาอยากจะได้ก็ให้เขาไปให้ไปแล้วมันก็จบประเทศไทยจงเป็นประเทศที่ไม่มีวันที่สูญเสียอิสรภาพไป เพราะรู้จักการเสียสละรัช ก, การที่ห้าก็คอยบวชเป็นพระภิกษุได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่พวกลาชาวพุทธทั้งหลาย ควรที่จะคํานึงกันควรที่จะพิจารณากันถ้าเราอยากจะได้รับความสุขความเจริญในทางธรรมกันถ้าเราอยากจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานขอให้พวกเราสละทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไปเถิดมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรกับจิตใจมันเป็นเหมือนขยะของจิตใจ มีแล้วก็จะทำให้ใจวุ่นวายไปเปล่าๆมีแล้วทำให้ใจเศร้าหมองทำให้ใจสกรปรกเพราะจะคิดร้ายจะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายเพื่อที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตนเอาไว้ได้ไม่คุ้มเสียได้ขยะมาแต่ต้องเสียใจที่สะอาดบรยสุดไปอย่างนั้นขอให้เราจงคำนึงถึงเรื่องการ เสียสละนี้ให้มากๆขอให้เราคิดว่าการเสียสละนี้ไม่ได้เป็นการสูญเสียแต่เป็นการได้สูญเสียสิ่งที่เลวที่ต่ําไปแล้วได้สิ่งที่ดีที่สูงมาสูญเสี ย, ายสลาภยศสรรเสริญสูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแต่จะได้ปรมังสุขขังมาได้นิบบานังปรามังสุขขังมาซึ่งเป็นการ แลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งเหมือนกับเอาก้อนหินไปแลกเพชรอย่างนี้มีใครไม่อยากจะแลกกันบ้างถ้ามีคนข้าวเพชรมาขอแลกกับก้อนหินของเรานี่เราจะคิดอย่างไรยังเสียดายก้อนหินอยู่หรือเปล่าอันนั้นแหละมรรคผลนิพพานก็คือเพชรดีๆนี่ส่วนราบยศสารเสริญสุขที่พวกเรามีกันอยู่นี่ก็เป็นเหมือนก้อนหินดีๆนี่ เราไปลักไปหวงมันทาไมในเมื่อเราจะได้ของที่ดีกว่าดังนั้นขอให้เรายอมหยุดแล้วก็เยน็นยอมยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละทรัพย์เสียสละอวัยวะเสียสละชีวิตเพื่อให้เราได้ทำพอเรายอมแล้วเราก็จะได้หยุดต่อสู้หยุดสร้างเวรสร้างกรรม แล้วเราใจของเราก็ใจเย็นความเย็นของใจก็คือธรรมนี้คือความสงบคือปรมังสุขขงังการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยะทาวาเวาหาปุราปาลิปุเรนติสาคารัง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 มาเตผวะตวันตราโยสุขีธีขายุโกผวะอาพิวาทธนสิดิษะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธมมาวัทฐานติอายุวันโอสุขังภาลัง ใครอยากได้นังสือทำชุดเตรียมพร้อมก็มารับได้นะขออย่างเดียวยาวไปแจกคนอื่นยาวไปฝากคนอื่นเพราะมันมีน้อยเอาไว้เฉพาะของตัวเราก็แล้วกันแล้วถ้าใครอยากได้ก็ให้เขามาเอาเองเอาไว้แจกข้างล่างเพราะพวกหนังสือที่ไม่ใช่หนังสือปฏิบัติจะไม่แจกวันนี้ เพร า, ามันคนะระดับกันหนังสืออนุบาลกับหนังสื อ, อมัธยมนี่มันแจกด้วยกันไม่ได้ที่ศาลาที่หอฉันที่วัดยาอาไว้ที่ข้างโต๊ะหมูมีกองหนังสือไว้อยู่ข้างโต๊ะหมูบูชาข้างบนนี้จะแจ ก, จกหนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติก็มีคนก็กาลังพิมพ์อยู่ ถ้ามาบ้านเดียวกันก็ไปชุดเดียวก็พอนะไม่ใช่บ้านเดียวกันสี่คนก็ไปสีชุดนะนนก็อย่าเป็นสีธนชนชัยนะ <c oughs> อย่าโลภ <c oughs> เราแบ่งอ่านได้อยู่บ้านเดียวกันมีต้องสามสีเล่มก็ผัดกันอ่าเ น, นเล่มนั้นเล่มนี้ได้จะหลับกันได้ เพื่อเราจะได้แบ่งปันให้แก่ผู้ที่เขาไม่มีกันผู้ที่มาทีหลัง ม, ออมีใครอยากจะถามอะไรไหมปฏิบัติมามีอะไรจะมาเล่าให้ฟังบ้าง อ, อันนี้มีอะไรมีครับามาเลย ครต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับจากคนจากคุณนักลึดีนะครับความโลภอยากได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเป็นบาปไหมมันไม่เป็นบาปแต่มันจะนําไปสู่การทําบาปต่อไปได้ถ้าโลภมากๆแล้วไม่คํานึงถึงความผิดถูกดีชั่วอยากจะได้ง่ายๆอยากจะได้เร็วๆ ก็มากจะทาให้ต้องไปทําบาปต่อไปความโลภเป็นเพียงแต่ทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันจดุดไม่มีวันหมดไม่มีวันสิน้นส่วนการทําบาปก็จะทําให้เราไปต้องไปเกิดในอบายไปใช้เวรใช้กรรมถ้าเรามีความโลภแต่เราไม่ได้ทําบาปที่เราทําทุกอย่างด้วยความถูกต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมเราก็ไม่ต้องไปใช้ บาปใช้กรรมนาบายแต่เราก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ดัง mm hmm. นั้นอย่าโลภดีกว่าถ้าเราไม่อยากจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้าอีกถึงแม้ว่าจะกลับมาเกิดในภพที่ดี mm hmm. เช่นตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาถ้าเราโลภแต่เราก็ยังมีใจบุญใจสุนทานทำบุญให้ทานอยู่รักษาสิ่อยู่ยางนี้ตายไปก็ไปเกิด เป็นเทพได้พอลงมาจากเทพก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาโลภใหม่มาทาใหม่แต่ถ้าวันไหนผิดพลาไดไปเผลอไปไปทำบาปเข้าเดี๋ยวก็ต้องลงไปใช้บาปใช้กรรมในอบายถ้าไม่โลภแล้วก็จะไม่ต้องทำบาปทำอะไรจะสบายไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดคำถามข้อต่อไปจากคุณจำหลัดเพชรพง์นะครับ เวลานั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไปสักพักอยู่ๆจิตนึกเปลี่ยนคำบริกรรมขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติพอเริ่มบริกรรมคาใหม่คำนั้นไปสักพักจิตก็รวมลงตรงที่ความว่างไม่นึกไม่คิดอะไรเพ่งมองความว่างเข้าไปโดยคำบริกรรมนั้นจังกรกับอยู่ในความว่างนั้นเห็นเป็นจุดไข่ปลาเล็ก สัพพ์คำบริกรรมหายไปเหลือจุดไข่ปลากระผมเพ่งจุดนั้นไปเรื่อยๆโดยจิตไม่คิดและไม่รับรู้เรื่องภายนอกใดๆไม่นานจุดไข่ปลานั้นก็หายไปอย่างนี้เรียกว่าอะไราครับระยะเวลาที่นั่งอยู่นั้นอยู่ประมาณ15ถึง20นาทีเห็นจะได้ก็เป็นการเข้าสู่ความสงบของใจตอนต้นงาสายการบริกรรม แล้ว ต, ต่อไปก็อาศัยการเพ่งนิมิต ท, ที่ปรากฏขึ้นมาที่เป็นจุดขาวๆนั้นจนกระทั่งจุดนั้นหายไปก็เข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ใจก็จะว่างเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้นี่จะอยู่ได้นานหรือไม่นานถ้าอยู่ได้เดียวๆแล้วถอนออกมาก็เป็นคณิกะสมาธิถ้าตั้งอยู่ได้นานก็เรียกว่าอปปนาสมาธิ สมาธิทั้งสองแบบนี้เป็นสมาธิที่จะเป็นบาดฐานของการเจริญปัญญาต่อไปเพราะจะทำให้จิตนี้มีอุเบกขามีกำลังที่จะต่อสู้กับตัญหาความอยากต่างๆได้แต่ถ้าเป็นสมาธิอีกแบบหนึ่งที่พอจิตสงบแล้วแทนที่จะอยู่นิ่งๆอยู่กับความว่างก็ ออกไปรับรู้นิมิตต่างๆไปรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้ไปไปเห็นสิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้แล้วก็มีความเพลิดเพลินอยู่กับมันถ้ามีสมาธิแบบนี้ก็จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาเพราะว่าเป็นสมาธิที่ทาให้ใจไม่นิ่งไม่มีอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิแบบนี้มาก็จะไม่มีอุเบกขา ติดมากับใจเวลาไปเห็นอะไรเกิดความอยากเกิดความโลภขึ้นมาก็จะไม่สามารถต่อต้านมันได้ไม่สามารถใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังได้เป็นอนัตตาได้สมาธิแบบนี้จึงเป็นสมาธิเราต้องระมัดระวังอย่าไปหลงอย่าไปติดถ้าได้เจอสมาธิแบบนี้ต้อง ดึงใจให้กลับเข้าไปสู่จุดที่ว่างต่อไปให้อยู่กับจุดอยู่กับความว่างอยู่กับความสักแต่ว่ารู้อยู่กับอุเบกขาไปอย่าเพิ่งไปตามรู้เรื่องราวต่างๆเพราะจะทำให้ใจไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาไม่มีกำลังที่จะออกมาพิจารณาทางปัญญาคำถามข้อต่อไปจากคุณบ๊อบบี้นะครับ เราจะทราบได้อย่างไรว่าสมาธิของเรามีรากฐานเพียงพอที่จะออกพิจารณาทางด้านปัญญาได้แล้วคือสมาธินั้นก็มีหลายหลายระดับกแล้วกันระดับอ่อนระดับกลางระดับสูงสมาธิแต่ละระดับก็จะสามารถที่จะสนับสนุนการพิจารณา ปัญญาได้ตามกําลังของสมาธิแต่ละระดับสมาธิก็คือกําลังของใจที่จะดึงให้ใจคิดไปในทางของปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกําลังดึงใจให้มาพิจารณาทางปัญญาได้ถ้ามีน้อยก็พิจารณาได้น้อยถ้ามีมากก็จะพิจารณาได้มากพิจารณาได้นาน ถ้าพิจารณาได้มากพิจารณาได้นานก็จะตัดกิเลสตัดตัณหาความอยากได้มากดังนั้นไม่ต้องก็ต้องลองพิจารณาดูเอาว่าจะพิจารณาได้มากน้อยเพียงไรเช่นเราจะพิจารณาความตายได้นานสักเท่าไหร่ในวันวันหนึ่งอันนี้ก็อยู่ที่กําลังของสมาธิของเราถ้ามีกําลังน้อยก็อาจจะพิจารณาได้เพียงเล็กน้อย ถ้ามีมากก็อาจจะพิจารณาได้มากพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องเลือบทั้งวันเลยก็ได้เดินยืนนั่งนอนก็พิจารณาแต่เรื่องของความตายเห็นร่างกายของใครก็พิจารณาร่างกายนั้นว่าในที่สุดเขาจะต้องตายไปต้องกลายเป็นดินน้ำ่มฝ่ายไปอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังของสมาธิแต่ละระดับ เราจะรู้ว่าเรามีมากมีน้อยก็อยู่ที่ว่าเราพิจารณาปัญญาได้มากได้น้อยเราปล่อยวางได้มากได้น้อยเราตัดปัญหาความอยากได้มากได้น้อยเราดับความทุกข์ได้มากได้น้อยก็อยู่ที่สมาธิและปัญญาสมาธินี้เป็นผู้ที่ให้กําลังแก่ปัญญาแต่ถ้ามีสมาธิแล้วไม่ออกทางปัญญามันก็ไม่เกิดผลอะไร ถ้าออกทางปัญญาแต่ถ้ามีกำลังน้อยก็จะพิจารณาได้น้อยพิจารณาได้ไม่นานพิจารณาได้แป๊บเดียวเดียวกิเลสก็มาดึงไปให้พิจารณาทางโลกแทนเสียแต่ถ้ามีกำลังของสมาธิมากก็จะพิจารณาทางธรรมได้นานกว่าได้มากกว่าพอกำลังของทางสมาธิหมดการพิจารณาทางธรรมไม่เป็นไปแล้วถูกกิเลสเริ่มดึงไปพิจารณาทางโลกแล้ว ก็ให้กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ไปเพิ่มไปเติมกําลังของสมาธิให้มากขึ้นเหมือนกับร่างกายที่ต้องพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารเวลาออกไปทํางานทั้งวันก็เหนื่อยพอถึงเวลาเลิกงานก็จะไม่มีแรงที่จะทํางานต่อก็ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนหลับนอนไปรับประทานอาหาร พอตื่นขึ้นมาก็มีกําลังวังชาที่จะออกไปทํางานต่อถ้าต้องทํางานแบบตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่มีการพักเลยผลงานก็จะเป็นสเปะสปะจะไม่ได้เป็นผลงานที่ที่ถูกที่ที่ดีแต่ถ้ามีการพักเป็นระยะระยะไปแล้วก็สลับกับการมาทํางานเป็นระยะระยะไปผลงานก็จะเป็นผลงานที่ดี เช่นเดียวกับการเจริญปัญญาก็เช่นเดียวกันการเจริญปัญญาก็จะเจริญได้ในขีดหนึ่งตามกําลังของสมาธิที่ตอนนี้อยู่เมื่อหมดขีดนะั้นแล้วก็ควรที่จะหยุดแล้วก็กลับมาทําสมาธิใหม่แล้วก็พอได้พักเสร็จแล้วก็ออกไปเจริญปัญญาใหม่การเจริญปัญญาพอได้ผลมันก็จะทําให้ใจมีกําลังมากขึ้นไป มันก็จะช่วยกันทั้งสองระดับปัญญาก็ช่วยให้เกิดสมาธิแน่นหนาขึ้นสมาธิก็ทําให้ปัญญามีกําลังที่จะพิจารณาได้มากขึ้นนานขึ้นดังนั้นการบรรําเพ็ญที่จะก้าวหน้าไปได้นี้จําเป็นจะต้องบรรําเพ็ญทั้งสองส่วนทั้งส่วนของสมาธิและส่วนของปัญญาถ้าบรรําเพ็ญได้ทางสมาธิเพียงอย่างเดียวไม่ออกพิจารณาทางปัญญาเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้ว อันนี้ก็จะติดอยู่กับสมาธิถ้าอยากจะออกไม่ติดกับสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาแล้ ว, ลวก็ต้องพิจารณาทางปัญญาพิจารณาไตรลักพิจารณาเรื่องของร่างกายเรื่องของขันห้ารูปเรทนาสัญญาสังสารวิญญาณพิจารณาเรื่องอสุภะของร่างกายพิจารณาเรื่อง ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เป็นองค์ประกอบของร่างกายพิจารณาให้เห็นชัดถ้าเห็นชัดแล้วก็จะสามารถตัดตันหาความอยากต่างๆได้ถ้ายังเห็นไม่ชัดก็จะตัดไม่ได้จะเห็นชัดก็ต้องมีกําลังพิจารณาอยู่เนืองๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆจะพิจารณาได้นานไม่นานก็อยู่ที่กําลังของสมาธินั่นเอง ดังนั้นจะถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่ามีกําลังมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องออกทางปัญญาดูก็จะรู้เองเหมือนคนหลับนอนกินข้าวมากน้อยเพียงไรเวลาออกไปทํางานก็จะรู้เองว่าทําได้ยาวนานสักเท่าไหร่ถ้าพักผ่อนได้มากได้รับประทานอาหารมากก็จะทํางานได้มากถ้าพักผ่อนน้อยรับประทานอาหารน้อยก็จะทํางานได้น้อย ส่ในใดสมาธิก็เป็นที่พักผ่อนหลับนอนของจิตใจส่วนปัญญาก็เป็นที่ทำงานของจิตใจก็ต้องดูทั้งสองส่วนนี้อย่าทำส่วนใดส่วนหนึ่งต้องทำสลับกันไปแต่ที่ไม่ให้ทำปัญญานี้จะไม่ให้เจริญในตอนที่อยู่ในสมาธิเพราะตอนนั้นเป็นเวลาพักผ่อนหลับนอน เันกับเวลาเราพักผ่อนหลับนอนเราไม่ไปเอาเครื่องคอมมาเปิดดูงานที่เราจะทำเวลาเราจะนอนเราก็ปิดคอมปิดอะไรแทไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการขอพักผ่อนหลับนอนเพียงอย่างเดียวพอตื่นขึ้นมาแล้วรับประทานอาหารเสร็จแล้วมีกำลังแล้วทีนี้เราก็ไปทำงานของเราทำจนกระทั่งไม่มีแรงที่จะทาก็หยุดทำแล้วก็กลับมาเข้ามาสมาธิใหม่ กลัมาพักพ่อนหลับนอนใหม่สมาธิก็เหมือนกันเวลาอยู่ในสมาธิก็ไม่ต้องพิจารณาทางปัญญาเวลาจิตสงบนิ่งสักแต่ว่ารู้นี่อย่าไปทําอะไรว่าให้มันนิ่งให้นานที่สุดอย่าไปบบรบกวนมันเมื่อมันอิ่มตัวแล้วมันจะถอนออกมาพอถอนออกมามันก็จะคิดปรุงแต่งก็อย่าปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งไปในทางโลกในทางกิเลสตัณหาต้องดึงมันมาคิดปรุงแต่งในทางมรรค ทันทีมาทางไตรักทันทีทางอสุภะทางธาตุจดินน้านมไฟถ้าติดอยู่กับเรื่องอะไรต้องพิจารณาหเห็นว่ามันต้องเสื่อมมันต้องหมดไปอย่าไปเสียดายอย่าไปห่วงอย่าไปแหนเช่นราบยศสรรเสริญเช่นบุคคลต่างๆไม่ต้องไปรักไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วงรักยังไงห่วงยังไงหวง่งงหวงยังไงมันก็ต้อง ตายอยู่ดีมันต้องจบอยู่ดีนี่คือพิจารณาทางปัญญาต้องพิจารณาความเสื่อมอย่าไปคิดนาทางความเจริญถ้าคิดปัญญาความเจริญนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสจะมองแต่ความเจริญอย่างเดียวได้นั่นมาแล้วจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปอันนี้เป็นความหลงนี่เราต้องพิจารณาส่วนส่วนส่วนที่กิเลสไม่ยอมพิจารณา เพื่อเราจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนของของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะได้ปล่อยวางได้เราจะได้ไม่ไปยึดเปดติดไม่ต้องไปทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามามีความเกี่ยวข้องด้วยฉะนนคนที่กำลังจะได้ลูกนี่ก็รอบคิดถึงวันตายของลูกได้แล้วคิดถึงก่อนที่มันจะออกมาเกมันออกมากลางคันมันมันหยุดหายใจเมื่อไหร่มันจะได้ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจ ถ้าไม่คิดไว้่วคหน้าก่อนเดี๋ยวพอมันออกมาอยู่ได้ไม่กี่วันแล้วตายไปแล้วมันจะเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าใครทั้งนั้นพอเกิดมาแล้วมันก็เดินเข้าสู่ความตายกันทุกคนพอออกมาปั๊บพระยามจุฬาฯก็มาขอจองตัวไว้แล้วถ้าเป็นดาราถ้าเป็นนางงามก็พอขึ้นเวทีเป็นนางงามก็บอยสัตภาพยนตร์ก็มาจองตัวกันละไอเราก็เหมือนกันร่างกายนี้พอมัน ออกมาจากท้องแม่ปั๊บนี่พยามัจุราชก็มาซื้อตัวแล้วมาจองตัวแล้วจะเอาไปเล่นภาพยนต์ให้คิดอย่างนี้นี่สิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญญาแล้วพอเวลาที่เขาต้องจากเราไปเราจะได้ไม่เสียหลักไม่เสียใจเสียไปก็ไม่ได้ดึงเขากลับมาอยู่ดีมีแต่จะกัดก่อนจิตใจของเราที่เคยเบิกบานร่าเริงมากลายเป็นคนเศร้าส้อยงอยเหวกลายเป็นคนซึมเศร้าไปอันนี้เป็น คุณประโยชน์ของการพิจารณาความตายอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องบัตรสีเป็นเรื่องอัปมงคลแต่เป็นการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะรักษาจิตใจที่สดชื่นเบิกบานของเราให้สดชื่นเบิกบานต่อไปไม่ให้เศร้าหมองไม่ให้ซึมเศรา้าโลกซึมเศร้าเกิดจากการที่ไม่เคยพิจารณาถึงเรื่องของความเสื่อมของความสูญเสียทั้งหลายเ่อเกิดความสูญเสียเกิดความเสื่อมขึ้นมาจิตใจก็รับไม่ได้ ใจิตใจก็ท้อแท้หมดอะไรตายอยากซึมเศร้าไปกลายเป็นคนบ้าไปในที่สุดนี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาต้องมองแต่เรื่องเสือ่อมเรื่องอนิจจงเรื่องเจริญแล้วก็ต้องมีการเสือ่อมเกิดแล้วก็ต้องมีการดับถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วใจจะไม่ซึมเศร้าใจจะไม่หดผูใจจะไม่มีความ รู้สึกเศ้าส้อยง้อยเหงาวว่าเวจะสดชื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรจะเกิดมีอะไรจะเกิดมีอะไรจะตายก็ใจก็เหมือนเดิมเพราะไม่หลงไปกับสิ่งที่เกิดเมื่อไม่หลงกับสิ่งที่เกิดเวลามันดับมันก็ไม่มีปัญหากับเรานี่คือปัญญาการจเจริญปัญญาที่เราจะต้องทําอย่างต่อเ น, นื่องโดยเฉพาะความตายนี่ พระเจ้าทรงสอนพระอนุนให้ลำเลื้อยถึงความตายทุกลมหายใจก็ก็คือให้พิจารณาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่ให้หลงไม่ให้ลืมความตายของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองถ้าเราไม่ลืมแล้วเราก็จะไม่หลงไปยึดไปติดกับเขาเวลาเขาตายไปจากเราไปเราก็จะไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดดีไหมดีครับ คำถามข้อต่อไปจากคุณสุริยานะครับขณะนั่งสมาธิกำหนดคำบริกรรมพุทโธบางทีก็สับสนเองว่าจิตจะอยู่ตรงไหนจับไว้ตรงไหนจึงจะแน่นไม่วอกแวบกบออกไปบางครั้งเป็นชั่วโมงก็ไม่อยู่ดึงกันไปมาระหว่างภายในและภายนอกทำอย่างไรจึงจะเจริญในการภาวนา ถ้าใช้คําบริกรรมพุทโธก็ให้เกาะติดอยู่คําบริกรรมอย่าไปสนใจกับเรื่องต่างๆอย่าไปสนใจกับลมอย่าไปสนใจกับจิตอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นให้สนใจอยู่กับคําบริกรรมพุทโธเพียงอย่างเดียวว่าเรากําลังบริกรรมอยู่หรือเปล่ายังมีพุทโธอยู่หรือเปล่าถ้าเราไม่มีพุทโธแล้วเราไปดูลมไปสนใจเรื่องอื่นมันก็แสดงว่าเผลอแล้วเผลอแล้วใจมันก็จะไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกี่ยว เดี๋ยมันก็จะลอยไปลอยมาจากลมก็ไปดูจิตจากจิตก็ไปดูความคิดปรุงแต่งไปทั่วไปหมดนั่งสมาธิแบบนี้นั่งไปจนวันตายก็จะไม่มีวันที่จะนิ่งจะสงบได้ถ้าจะสงบต้องเกาะติดอยู่กับเรื่องเดียวถ้าอยู่กับถ้าใช้บริกรรมพุทโธก็ต้องให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธถ้าใช้ลมหายใจก็ให้อยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียว ถ้าจะดูจิตก็ดูมันอย่างเดียวว่ามันว่างหรือมันไม่ว่างถ้ามันไม่ว่างก็ต้องทำให้มันว่างให้ได้ถ้ามันคิดปรุงแต่งก็ต้องหยุดมันให้ได้ถ้าหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่าดูจิตไม่ได้ไม่มีกำลังที่จะไปทำให้มันว่างก็อย่าไปดูมันดูลมแทนดูลมแล้วมันไม่อยู่กับลมถ้าอยู่กับพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธก็ดูใช้พุทโธไปเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าเอาหลายๆอย่างมาปนกัน สมาธินี้ต้องเอาอย่างเดียวใจมันถึงจะนิ่งถึงจะสงบได้ถ้ามันเอาหลายอย่างนี่มันจะสงบยากข้อต่อไปจกคุณผ้าเช็ดเท้านะครับกราบนมัสการผมขอเล่าถวายอาจจะยาวหน่อยย่อๆได้ดังนี้หนึ่งในครั้งแรกผมดูเวทนากายดูให้เห็นตามความเป็นจริง ตามคํำสอนหลวงตาปรากฏว่าความปวดมากๆขนาดนั้นหายหมดเหมือนขาดไปเลยมีความรู้สักครู่ก็มีความรู้บอกว่าไม่ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ต้องตายทั้งนั้นตัวเราเองก็ต้องตายหลังจากนั้นมันเศร้าเศร้ามากๆปดหูใจมากๆสอง ครั้งต่อมาผมเดินจงกรมมีความรู้ขึ้นมาว่าดินผมจึงพิจารณาร่างกายว่าเป็นธาตุแล้วผมมองพื้นพื้นมันเบี้ยวเบี้ยวบูดบูหดหดยืดยื ด, ยดผมคิดว่าตาลายจึงเนยหน้ามองไปรอบๆมองไปทางไหนก็เป็นเหมือนกันอยู่อย่างนั้นสักครู่ทุกสิ่งที่มองไปก็ค่อย ค, อยคอยขาวไปหมดเลยครับ ไม่มีอะไรเลยขาวไปหมด 3. นั่งภาวนาดูเวทนามีเรื่องคนตายแวบเข้ามาผมจึงเทียบเคียงว่าคนตายนี้ปวดขาเหมือนเราไหมทำไมปรากฏว่ามันว่างครับขณะนั้นผมสงสัยว่าอะไรก็ได้รู้ว่าเอกทัศตาครั บ, าารบและมีความเศร้า โหทูเหมือนเดิม 4. ภาวนามักมีเรื่องเกี่ยวกับความตายแวบเข้ามาผมก็จับเรื่องความตายมาพิจารณากลับไปกลับมาปรากฏว่าจิตสงบเร็วและละเอียดกว่าปกติพิจารณาจนจิตไม่พิจารณาและก็มีแต่รู้ๆเท่านั้นและก็เศร้าๆหดทูพิจารณาแบบนี้บ่อยที่สุดและอาการต่างๆ เป็นแบบนี้หลายครั้งแล้ว 5. ภาวนาแล้วเห็นอาการของใจคืออารมณ์ไม่พอใจจึงจับมาพิจารณาผลคือพอจิตหยุดพิจารณาก็จะมีแต่รู้และความปผดหูเหมือนครั้งอื่นๆ 6. ปัจจุบันผมจึงพิจารณาความตายเป็นหลักแต่บางครั้งจิตก็คิดไปเอง ไปในทางตัดร่างกายกรีดร่างกายดูความสกปรกความที่ร่างกายนั้นแก่ขึ้นบ้างว <c oughs> งเล็บ <c oughs> มันเป็นเนื่องไขคิดต่อต่อไปคำถามมีดังนี้ผมเคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์มาบ้างว่าให้จับพิจารณาในฐานใดฐานหนึ่งแต่สิ่งที่ผมเป็นทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเองรู้ขึ้นมาทางไหน ณเวลานั้นก็จับมาดูมาพิจารณาเลยผิดถูกประการใดขอความเมตตาจากท่านพระอาจารย์ด้วยครับคือการพิจารณานี้มันมีอยู่สองรูปแบบด้วยกันพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนเช่นไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายภายในสามวันเจ็ดวันอย่างนี้ ก็ต้องพิจารณาดูว่าปล่อยวางร่างกายนี้ได้หรือเปล่ายอมให้ร่างกายนี้ตายไปได้หรือเปล่าอันนี้ถ้าปล่อยวางได้ยอมรับว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องตายไปเป็นธรรมดาใจก็จะสงบใจก็จะไม่หดหู่ไม่วุ่นวายอันนี้เป็นการพิจารณากับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนส่วนการพิจารณาอีกแบบหนึ่งก็พิจารณาเตรียมตัวไว้กับ เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปกับสิ่งที่เรารักกับบุคคลที่เรารัก เ, เช่นคนที่รักเรารักมีใครบ้างเขาต้องแก่เจ็บตายหรือไม่ก็จะร่างกายของเราจะต้องแก่เจ็บตายหรือไม่ อ, อันนี้เป็นการเตรียมเตรียมเตรียมตัวไว้ก่อนเป็นการรับ เ, เป็นการทำการบ้านไปก่อน แต่ถ้ามีเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นนี้ไม่มีเวลาทำการบ้านก็ต้องเอามันสดสดร้อนๆต้องเอาปัญญาที่เราอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างนี่เอามาสู้กับมันให้ได้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเช่นเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอาการเจ็บปวด อ, อย่างรุนแรงทำใจให้นิ่งให้สงบได้หรือเปล่าปล่อยวางทุกขเวทนาที่กาลังเกิดขึ้นนั้นได้หรือเปล่า พิจารณาทุกขเวทนาว่าเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนุตาได้หรือเปล่าอันนี้คือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือใครมาอยู่ดีๆก็มาด่าเรามาว่าเราโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายเขาจะด่ามากล่าวร้ายกล่าวอะไรต่างๆกล่าวหาว่าร้ายต่างๆเราจะเฉยหรือเราจะโกรธเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วน ถ้ายังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่คนเดียวยันเดินจงกลมนั่งสมาธิอู่ก็มาพิจารณาเรื่องต่างๆที่เราจะอาจจะต้องเผชิญเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปเตรียมตัวไว้ก่อนทำการบ้านไว้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่มีความทุกข์ใจเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานี่คือเป้าหมายของการเจริญปัญญาทำได้สองสองวิสองรูปแบบด้วยกัน รูปแบบแรกก็คือถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนที่ทําให้ใจว้าวุ่นขุนมัวทําให้ใจทุกข์ทรมานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อดับความทุกข์ทรมานใจนั้นให้ได้สองถ้าไม่มีเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนอะไรร่างกายปกติจิตใจสบายก็ให้พิจารณาเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก่อนอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดไว้ว่าเนี่ย ต่อไปมีลูกแล้วลูกเราจะต้องเป็นยังไงต่อไปจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องพาไปหาหมอไปแล้วหมอก็อาจจะรักษาให้หายได้บางทีหมอก็รักษาให้หายไม่ได้อาจจะไม่ตายแต่อาจจะต้องพิคคนพิการไปอันนี้เราก็ต้องคิดไว้ล่งล ว, วลงหน้าก่อน้วถ้าเราพิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็จะได้ไม่เสียหลักไม่เสียใจไม่ทุกข์ทรมานใจ ยอมรับกับความจริงได้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็คือเรื่องของการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาที่แท้จริงถ้าได้ผลมันจะไม่หดหู่มันปล่อยวางแล้วมันจะไม่หดหู่ที่หดหู่ก็แสดงว่ามันยังไม่ปล่อยมันยังมีความอยากในสิ่งนั้นอยู่ถึงแม้จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่มันยังไม่ปล่อยยังไม่ยอมรับความจริงอันนี้อยู่ มันก็เรายังหดหูใจอยู่ถ้ามันปล่อยจริงๆแล้วมันจะโล่งเหมือนกับยกภูเขาออกจาก อ, อกไปจะสบายนี่คือเรื่องของปัญญาคำถามจากท่านเดิมนะครับผมสังเกตว่าระยะหลังมานี้ความหดหูมันเบาบางลงเรื่อยๆครับก็แสดงว่าคงจะปล่อยได้มากขึ้นนั่นเอง ยอมรับได้มากขึ้นความหดหูก็จะน้อยลงไปแต่ยังไม่หมดแต่ยังไม่หมดก็แสดงว่ายังมีตัณหายังมีความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับเราดีกับเราเป็นของเราไปต่อยังไม่เห็นว่ามันจะต้องจากเราไปมันจะต้องหมดไปจะต้องไม่ใช่เป็นของเราต่อไปอันนี้ก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆเหมือนกับฟันต้นไม้ฟันแล้วมันยังไม่ขาด มันขาดแล้วมันล้มลงแล้วแต่มันยังไม่ขาดเป็นสองท่อนก็ต้องฟันมันต่อไปจนกว่ามันจะขาดเป็นสองท่อนไปอันนี้ก็สมุเดเฉดการตัดแบบสมุดเฉดกับไม่สมุเดเฉดสมุดเฉดก็คือตัดแบบตัดขาดเป็นร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยไม่มีอารมณ์กับสิ่งนั้นอีกต่อไปถ้ายังไม่สมุดเฉดก็ยังมีอารมณ์อยู่ยังมีความขุ่นมัวอยู่ในใจอ โูอยู่ในใจเอพราะยังเสียดายยังรักยังหยเพระอาจารย์ครับการเจริญเมตตามีความหมายและแนวทางการปฏิบัติอย่างไรและมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนต่อการปฏิบัติธรรมครับคือความเมตตามันเป็นการรักษาใจไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่อาฆาตพยาบาท ชีวิตของเรานี้ปกติเราก็ต้องเจอกับบุคคลเจอกับสัตว์แล้วเวลาที่เขาทำอะไรบางครัง้งบางคราวก็อาจจะมีการาขัดผลประโยชน์กันมีการาแข่งแย่งชิงดีกันก็ถ้ามีเมตตาเราก็จะแข่งแย่งชิงดีในในกรอบของความ ของความถูกต้องคือแข่งขันกันได้เหมือนนักกีฬาเราก็เล่นกีฬากันแต่เราก็ต้องเคารพ ก, กฎกติกาของการเล่นกันการดาเนินชีวิตในสังคมก็ต้องเคารพ ก, กฎกติกาของสังคมเช่นกฎหมายกฎศีลธรรมอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความเมตตาเราก็จะเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถยับยั้งความโกรธได้ ก็จะทำให้เราต้องไปทำผิดกฎกติกาได้ไปทำบาปทำกรรมไปทำผิดกฎหมายได้หรือเวลาเรามีความโลภอยากได้อะไรมากๆเราก็ไปทำบาปทำกรรมไปทำผิดกฎหมายได้แต่ถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นเวลาที่เราอยากจะได้อะไรแล้ว เ, เราไปทำแล้วทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน อย่างตอนนี้เราไปปิดบ้านปิดเมืองปิดถนนหนทางคนแก่คนเฒ่าจะไปหาหมอไปโรงพยาบาลก็ํำบากกันวุ่นวายกันไปหมดถ้าคนมีความเมตตาก็จะต้องคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ว่าเราทำแล้วนี่เราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเราคิดถึงความสุขของผู้อื่นบ้างหรือเปล่าเราคิดถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นบ้างหรือเปล่า ถ้าคนมีความเมตตาก็จะไม่ทำแบบนี้อย่างแน่นอนสัพเพสัตตาก็หมายถึงมีความเมตตากับทุกๆสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงหรือสีดำ ห, หรือสีขาวหรือสีอะไรก็เป็นสัพเพสัตตาทั้งหมดต้องมีความเมตตาต่อกันถ้ามีความเมตตาแล้วบ้านเมืองก็จะมีความสงบมีความรักมีความสามัคคีกันถ้าไม่มีความเมตตาแล้วมันก็จะมีการ แข่งแย่งชิงดีมีการเข็นฆ่ากันมีการทำลายกันทำรายกันเพื่อเพราะอำนาจของความโลภอำนาจของความโกรธทำให้ลืมความสำคัญของการมีความเมตตาไปเมตตาเป็นธรรมคำจุนโลกนี่เป็นธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ถ้าโลกไม่มีความเมตตาแล้วโลกจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ เราจะเข็นฆ่ากันไปจนกระทั่งตายกันไปหมดนี่คือความสําคัญของความเมตตาของมนุษย์มนุษย์เราที่เราอยู่กันอย่างมีความผาสุกมากกว่าเดรฉานก็เพราะว่ามนุษย์มีความเมตตามากกว่าเดรฉานเดรฉานนี่เขาไม่มีความเมตตาเพราะเขาจะต้องกินกันฆ่ากันเพื่อเพื่อเอาตัวรอดกัน ถ้ามนุษย์เราทาแบบเดราฉานมนุษย์เราก็ไม่ต่างกับเดราจฉานที่เรามาเข่นฆ่ากันมาทำลายกันมาทาร้ายกันเพื่อที่เราจะได้เอาตัวเราอยู่รอดเพื่อที่เราจะได้รักษาผลประโยชน์ของเราแล้วเราก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นความร้ายความเมตตาความเมตตานี้ก็ทรงแสดงไว้มีอยู่สามสี่ลักษณะด้วยการสัพเพสัตตาเอาเวลาหนุนโ ก็บอกขอให้เราจงอย่ามีเวรมีกรรมกับสัตว์ทั้งหลายเถิดไม่จองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันเขาจะโกงเขาจะกินอย่างไรก็ให้อภัยเข้าไปตายไปมันก็เอาไปไม่ได้มันจะกินจะโกงให้มันกินไปมันอยากจะไปเป็นเปรยก็ให้มันไปนเป็นไปีสัพเพสัตตาเอาเวลาหนตุพระพุทธเจ้าไม่โกรธไม่เกลียด เทวทัตเทวทัตจะพยายามปองผชนถึงสามปองผชนถึงสามครั้งก็ไม่เคยคิดคาตาพยาบาทจองเวรจองกรรมแต่อย่างใดมันอยากจะตกนรกก็ลปล่อยมันตกไปนี่คืออาเวลาโหนตุอปยาปชาโหนตุก็คือจงไม่เบียดเบียนกันจงไม่ทําร้ายกันอย่าทำร้ายกันเวลาเราโกรธเรามาักอยากคิดทำร้ายผู้อื่น เวลาเราโลภกกเราก็คิดจะทำร้ายผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้สิ่งที่เราโลคที่เราอยากได้มาถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะต้องไม่เบียดเบียนกันก็คือต้องรักษาศีลกันไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดโกโหกหลอกลวงนี่ก็คืออปยาปชาโหตุอานิคาหุนตุก็คือมีความปรารถนาให้คน ไม่มีความทุกข์กันก็คือเราอย่าไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเราต้องรู้จักมีความอดกลัน้นอดทนอย่าไปสร้างความทุกข์อย่างตอนนี้สร้างความทุกข์ให้กับชาวบ้านชาวชาว่องเขาคนแก่คนชราคนเจ็บคนป่วยจะไปโรงพยบาบาล น, นี่วุ่นวายกันไปหมด น, นี่อานิคาโหนตุสุขีอตาณังปาริหารันตุขอให้มีความสุข เถิดเนี่ยก็คือส่งสอคสอให้ต่อกันส่งความสุขให้ต่อกันมีของขวัญมีอะไรเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งปันกันไปเชน่นเรามีของเหลือนี่ช่วงปีใหม่นี้พระได้ของเหลือเยอะของที่ได้กระชงกระเช้าอะไรนี่ได้กันมามากมันรู้จะไปให้ใครดีก็ไปถวายพระก็แล้วกันอันนี้ก็ส่งความสุขเรามีเหลือเยอะแล้วก็เอาไปส่งความสุขให้คนนั่นคนนี้เขา ก็อยากให้คนอื่นมีความสุขมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นนี่คือคุณสมบัติและคุณลักษณะของการมีความเมตตาหนึ่งไม่จองเวรสองไม่สอ ง, ไ ม, สองไม่เบียดเบียนสามไม่สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นสี่ให้ความสร้างความสุขให้แก่ผู้อื่นถ้าเรามีทุกคนมีความเมตตาแล้วโลกนี้ก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมีมากมีน้อยไม่สําคัญ เพะความต้องการของมนุษย์เหล่านี้มันมีแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นแหละมากกว่า น, นั้นมันไม่ได้ทําให้มนุษย์มีความสุขมากขึ้นมนุษย์จะมีความสุขมากขึ้นก็ต่อเมื่อมีความเมตตามากขึ้นเท่านั้นเองนี่แหละคือความสําคัญความเมตตานี้จะให้ความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้รับจากปัจจัยสี่ถ้าเราอยากจะได้ความสุขมากกว่า ความสุขที่เราได้รับจากปัจจัยสี่เราก็ต้องสร้างความสุขด้วยการมีความเมตตาเข้าใจไห ม, หมนะโอเคดีก็ถึงเวลเอาอ้าวข้อนะที่นี้ที่เขาจาพูดถึงระพุทธ อ, องค์ให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะคะึถึงหมายความว่าทุกลมหายใจเข้าออกนี่สแสดงว่าต้องภาวนาตายไป ไม่ก็นึกเนี่ยนึกว่าเห็นอะไรก็ตายหมดเนี่ยเห็นใครก็ตายหมดไม่มีใครอยู่ตายไปตลอดเห็นต้นไม้เดี๋ยวมันก็ตายเห็นเห็นอะไรก็ตายเห็นศาลาหลังนี้เดี๋ยวมันก็ตายมองทุกรูปแบบมองอะไรก็ตายหมดไปโครโฟงนี่ก็ตายคนพูดนี่ก็ตายไม่มีใครอยู่ไปรอดไม่มีใครอยู่รอด ต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยต้องมองว่ามันเป็นมันต้องตายหมดแต่เราไม่มององั้นเรามองทีไรมันคิดจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆหวงมันเลื่อเกินรักมันเลื่อเกินมันก็เลยทุกเยถ้าเห็นมันจะตายมันก็ไม่ทุกข์อานะาสมควรแก่เวลาก็อาขอ ให้ท่านได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด